จึงต้องฝึกฝนตัวเองทุกคนนะต้องฝึกฝนตัวเองมันทําความดีเท่าที่มีทรัพยากรและเื่องนี้มันเป็นเรื่องง่ายที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีทรัพยากรแค่ไหนเนี่ยทาความดีในสิ่งที่ Allah ใช้เนี่ยทำทรัพยากรที่มีไม่ต้องร อ, อกว่า โ, โอ้โดูฉันอยากจะสร้างมัสยสิดโดยเฉให้มีงบสักสิบยี่สิบล้านนะ่ยฉันจะได้สมัชชิตรังการนะพอเราได้แล้วนี่ล้านหนึ่งมันยังไม่ยี่สิบล้านนะพอเราได้สองมันยังไม่ยี่สิบเจริงเนี่ยสองสมล้านนี่มันก็สร้างมัสยิดแล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไม่ถึงขนาดไม่ต้ถึงขนาดมีพี่น้องที่ภูกเกต็ตที่เรืยนจําภูกเกต็ตเขาไม่มีที่ละหมาดนักโทษนี่ก็ไม่ละหมาดทีมงานที่ภูเก็ตเขาบอกว่า นี่ทางเรือนจำเนี่ยอดีตเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นมุสลิมเพราะว่าจะได้ของบทำมัสยิดทำมุสลลาเนี่ยให้นักโทษนี่มัลลามานี่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแล้วถ้าได้นี่ไม่รู้มันจะพอหรือเปล่าโอ้โหนี่เขาจะทําให้เห็นได้เขางบเท่าไหร่เขาบอกว่าจะได้จัดแก่แก้จัดเนี่ยเขามีห้องให้อยู่แล้วจะแก้จัดนี่แต่ทำฉากอะไรเนี่ยใช้งบสักหมื่นห้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยนี้เลย ต้องรอว่าเดี๋ยวเขาจะได้ให้ที่นี่มีมหาลัยท <un S 2> ี <podéis remember>. ่หนึ่งทีิการก็บอกว่าโอ้นักเรียนมุสลิมนักศึกษามุสลิมเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ที่เดี๋ยวจะให้ที่ให้ที่แล้วในจากมัสยิดนั่นเนี่ยผมก็บอกว่าบก็ไม่ต้องให้ที่ก็ได้มีมห้องไหนก็ได้เนี่ยให้เป็นให้เป็นมุญลักษาไปก่อน รอนี่รอนี่กว่าจะได้ที่เนี่ยกว่าจะได้หาเงินจะสร้างมัสยิดหนเกือบสิบกว่าปีนะผมลืมแล้วมหาอะไรที่ไหนเนี่ยเขเคยติดต่อกว่าจะได้นะและสุดท้ายนี่ได้ยินว่ามีปัญหาว่าเขาจะยึดมัสยิดเอาเนี่ยเพราะนักศึกษาไม่เคยละหมาดและที่นี่ก็เป็นที่ที่ของมหาลัยอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ที่ของไมอยู่ที่ของนักศึกษาเนี่ยมหาลัยเนี่ยเขาอขาอำนวยให้ เรามีงบแค่ไหนเนี่ยเท่าไหรเนี่ยทาโครงการอะไรเนะี่ยทำไปก่อนไม่ต้องรอให้มันอลังการใหญ่โตให้ต้องขนาดนูน้นต้องเฮ้ยดูสักก่อจัดประชุมแล้วก็ให้มีฝ่ายนูน่นฝ่ายนี่ฝ่ายนั่นโอ้ยยีสบฝ่ายงานที่ต้องจัดยี่สิบฝ่ายฝ่ายต้อนรับฝ่ายอะไรเนี่โอ้แค่นั่งคิดแค่คิดเนี่ยนะก็ไม่เอาละ เคยเนี่ยยนั่งคุยกันกับผมนี่ยนะจะจัดงานแบบนี้เนี่ยอ๋อแต่เราต้องมีเรื่องทีมงานด้วยละใครละใครอ่ะใครอ่ะคือตั้งยี่สิบฝ่ายแล้วก็มมไม่มีใครรับผิดชอบสักฝ่ายนึงแล้วแล้วโครงการนี้มันจะเกิดขึ้นยังไงอ่ะเร้มเอาใหม่เอาใหม่นี่มีแค่นมีแค่ไหนไห น, ห น, ห น, ห น, นี่ห้าคนนี่นะเอาห้าฝ่ายคนละฝ่ายแล้วก็ทําไปมีแค่ไหนก็ทำไปก่อนชีวิตของเราเนี่ เราไม่ได้ให้ประชาชาติของเรานี่มีอายุไขนี่เหมือนนะบีนุ่นนะผ่านไปแล้วนี้าสิบปีอุ้ยนูนะ่นในเก้ารอปีอายุขยเรานี่ไม่ได้มีเยอะนะแป๊บหนึ่งเด ว, วันอังคารแล้อีกแป๊บหนึ่งกับวันอังคารอะอีกแป๊บหนึ่งนี่นี่เนี่แทบซีดนยี่สิบปีแล้ะแล้วยังไม่หมดอกีกยังไม่เสร็จแทบซีเวลาไม่ไม่มีมหรอก มีอะไรในมือเนี่ยรีบทำซะแล้ววิธีนี้นี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากพฤติกรรมของมุนาฟิกีเนี่ยที่ชอบแขวนแขวนเรื่องไว้เนี่ยให้อัลลอฮ์โปรดปรานก่อนแอดแนนามินฟอดลี่ให้อัลลอฮ์ให้ก่อนให้เราได้มีก่อนถึงจะทําอยากจะละหมาดเกี่ยมุลเลลโอเกี่มุลเลลเนืเหมือนท่านนบีนี่นบีละหมาดตั้งแต่อิชายันซุบบะ อย่าไปฝันกันพอจะรอวันที่จะทําแบบนั้นน่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเนไงและไม่มีวันจะละหมาดเกียร์มุลเลนถ้าทำยังไงตื่นเมื่อไหร่ก็ละหมาดละหมาดง่วงนอนง่วงแล้วนอนตื่นแล้วก็ละหมาดถ้าเราเข้มแข็งหน่อยนี่ก็ละหมาดเกียรมุลเลนนี่ก่อนนอนเลยแล้วก็ตื่นสุโวเลยอ่าช่วงแรกนี่ฝึกตัวเองในเรื่องละหมาดเกียมุลเลนละหมาดซะก่อนก่อนนอนนี่ละหมาดเลย นอนนอนยังสบอล้วก็ตื่นละหมาดสบอเทวะในละหมาเกียมุเละเราเข้มแข็งน้อยนิดอ่ะตังต้งเวลานาฬิกาตื่นก่อนสุบอลลสักชั่วโมงหนึงอาจจะตื่นละหมาเกียมุเละสักนิดนึงทำได้อาทิตย์ละวันอาทิตย์ละสองวันอ่ะทําไปก่อนทําเท่าที่ทําได้ก่อนเรื่องละหมาซุนนาเนี่ยที่เราเคายบอกละหมาซุนนานีมันเป็นบททดสอบที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด ทำไมอะประมวลนี่มันติดกับฟรดูถ้าเราล่ามาฟรดูได้นะแสดงว่าุสุนนี่มันก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้ถ้าสามารถเคียเวลาล่หมาฟรดูสรการนี้นะก็เนี่ยสุนนาสักรการนี่มันไม่ไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะฟรดูเนี่ยงมากที่สุดนีาสิบนาทีสุนน์นี่ก็อีกสักสามนาทีอย่างเงี้ยได้ได้ ก็ฝึกฝนในละหมาดทีละนี้ทีละหน่อยเนี่ยฝึกฝนตัวเองความดีทุกอย่างอย่าได้แขวนวาอย่าได้มีเงื่อนไขอย่าอย่าได้ตั้งแง่เยอะแยะกับตัวเองกว่าจะทําความดีเพราะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมของพวกมุนาเที่จริงเนี่ยถ้าพาตัดดูใหัวใจของมุนาเเหมือนเขาตั้งแง่ตั้ ง, งเงื่อนไขเยอะแยะแบบนี้เนี่ยเพราะเขาไม่อยากทําอะ ก็เลยทำให้มีเงินไขเยอะแม่อราจะทำบุญให้เป็นมหาเศรษฐีก่อนไม่ใช่เศรษฐีนะต้องเป็นต้องรวยระดับพันล้านก่อนนะพอพอเป็นรวยระดับล้านๆสิบสิบล้านเนี่ยยังไม่ทำทำไมยังไม่พันล้านเนี่ยมันต้องพันล้านก่อนถึงจะเริ่มสตาร์ททาบุญเงี้ยตั้งเงินไขเพราะเหมือนตัวเองเนี่ยตั้งเงินให้ตัวเองไม่อยากทำบุญอยู่แล้ว มันก็สอดคล้องกับที่มูนาบกินได้ตั้งเงินไขในการที่ไม่ออกไป jihad กับท่านน บ, บีสัลลัลลอฮอย่าได้ให้เราออกไป jihad เลยเพราะเรากลัวฟิตนาเห็นสาวโรมันเนี่ยดูเราจะฟิตนาตตั้ ง, ต, งตั้งเงินไขได้ให้ดูดีด้วยนะตั้งเงอนไขให้ดูดีและดูจะมีข้ออ้างของ มุนาหิกินที่ไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามไม่ได้ออกไปสู้รบเพราะศัตรูเหนี่ยวจำนวนเยอะเราสู้รบกับเขาไม่ได้อันี่มีตั้งแต่สมัยนบีไปสู้รบกับข้อเด้งก็เยอะจํานวนเยอะออกไปสรบรมันได้ไงอะรมันมุนาหิกีนบอกตั้งวง วงน้ําชาวงวงเล็กนี่พวกมุฮัมมัดนี่เขานึกว่าจะไปสู้โรมันนี่เหมือนไปสู้พวกชนบทชาวอาหรับชนบทเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเจอของดีแน่เนี่ยเจอพวกโรมันเนี่ยพวกโรมันเนี่ยอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่สุดในตงก่อนนู้นเหมือนปัจจุบันนี่ที่เขาพูดถึงทหารยูทหารอเมริกาอย่างโน้นอย่างนี้นี่ทำไมมีโอ้เนี่ยพวกบาเนี่พวกฮามาสบ้าบ้านี่ ยังไที่จะไปสู้กับทหารยิวมันคิดไดยังไงคิดสั้นขนาดนั้นได้ไงสารพัดข้ออ้างรวมถึงข้ออ้างว่าจิฮาดในปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้เพราะมุสลิมนี่อ่อนแอและแต่มุสลิมอ่อนแอขาดเงื่อนไขในการทําจิฮาดขาดเงื่อนไขในการทำจีฮาด ถ้าทำชี้ฮัตเนี่ยถือว่าบาปเพราะเราได้ทำในสิ่งที่ขาดเงินไขมันออกมาแล้วพูดแบบนี้เนี่ยนี่ตามตามที่ผมได้บอกกับพพูดแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าก็คือให้เหตุผลจะได้ตัวเองไม่มีภารกิจในการสนับสนุนเขา เพระถาหากว่าฮามาสนี่ยเยฮ์ดเขาเน่ใช้ไม่ได้แสดงว่าไม่ต้องสนับสนุนเยฮ์แสดงว่าถ้าฉันข่าไปกินเคเฟซีไปกินแมกโดน่าถ้าฉันสนุกสนานเล่นบอลจัดประกวดหมาจัดคนเสนิร์ตฉันไม่บาปทั้งสิน้นฉันใช้ชีวิตธรรมดาเพราะการสนับสนุนเยฮาฮดนี่นะมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วให้เหตุผลก็ให้เหตุผ ล, ผลคือจะได้ตัวเองไม่ต้องมีภารกิจทาหน้าที่ตรงนี้ คล้ายๆติกรรมของมนุยคล้ายๆพฤติกรม ร, กรมของคนที่ไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการในการต่อสู้ในหนทางของรัสสปาโน่เรื่องที่ตลกทีสุดเนี่ยที่ดี๋วนี้เป็นกระแสไปช่วยเขาได้ไงรีวิทหนึ่งไปช่วยเขาได้ไงฮามาสเนี่ย มารับสนับสนุนจากอิหร่านอิหร่านเป็นเชียร์แสดงว่าฮามาสเป็นชียร์สนับสนุนเชียร์ไม่ได้ฮามาสเองมันเป็นอชาโรอชาโรี่อากเดนไม่ถูกต้องไปสนับสนุนเขาเด้งไงอันนี้ที่เขาพูดนะและที่เขาพูดทั้งนั้นนะไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่ามันพวามันถูกต้องมีหลักฐานอะไรว่าฮามาสเป็นชียร์มีหลักฐานตรงไหนแค่รับเงินนะแค่รับเงินเงินจากอิหร่านนี่เป็นชียรหรออันนี้นี่ใช้ตรกะเหร รับเงินจากคนพุทธเนี่ยจะเป็นคนพุทธนะรับเงินจากคนกาเฟสเนี่ยจะเป็นกาฟสนะมันมันใช่ตะกะแหละหรือว่าหมามสิเป็นมุรเป็นอาชาร้นีเป็นอาคีดไม้ไหถูกใครบอกว่าอาชาร้อนเีอาคิดไไม่ถูกต้องและใครบอ ก, กว่าไอ้คาว่าไม่ถูกต้อ ง, อออองนี่ก็หมายถึงว่าอาคิดไนี่ที่มีที่มีความผิดอะไรบางอย่างเนี่ยสแสดงว่าช่วยไม่ได้ในใครบอกอนันตลอดประวัติศาสตร์เนี่ย ชียร์นี่ที่เคยต่อสู้กับโคเซตนี่ยก็ขอเคยขอความช่วยเหลือจากซุนนีจะได้ช่วยก็ช่วยซุนนีก็ช่วยสมัยอาณาจักรฟาติมียทั้งดังดีอาณาจักรซุนนีตอนนั้นนะเขามองว่าฟาติมียนี่เป็นเชียร์เชียร์หมดหมดตันด้วยแต่เกิดสงครามโคเซตจริงเก็ช่วยและตอนที่ซุนนีเนี่ยอย่งอาณาจักรอาณาจักรเอ่อซิงกียานีอยู่ที่เมืองชามเนี่ยก็ไปต่อสู้กับโคเซต แล้วขอความช่วยเหลือจากฟาติมีสเป็นชียานิก็ช่วยช่วยอณจักรสุนีในการต่อสู้โคเซซาลาตินอยูบีที่ต่อสู้กับโคเซและก็พิชิตอักษรนี่นะคนที่อยู่ในกองทัพเนี่ยก็เป็นอุลามาซลวีอุลามาสุนนทั้งนั้นและตัวซลาดนเนี่ยเป็นอาชาโรเป็นอาชารถึงขนาดที่สั่งการว่าลูกเาลูกๆเขาเนี่ยต้องท่องจามาตันของอก์อาชารเขาเป็นอาชาโรชาติน แลลามาดีอยู่กับอิมามกับศาลาอดีตอายุวินิเมตฮามเนียอิมามอับดุกูดามะกิดาสลักเติมิมิขยบมูนเป็นอาชาโร่เยียไปรบกับมันรบแม่ถ้าผู้นำเป็นอาชาโร่เป็นชซียร์นี่ในเมื่อเขาไม่ได้เปิดเผยเรงกูฟุร์ชเจนน์ก็ถือว่าเป็นมุสลิมเพราะมันไม่ใช่เวลาแม้แต่งในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเรียกเนี่ช์มานี่แกเชื่อยังไงเซ์เอแต่ละคนเนี่ย มันไอบริบทมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทําไมเราไม่มีเวลาที่จะมาตั้งศาลแต่เราพูดทั่วทั่วไปขอรที่เชื่อแบบนี้นี่ไม่ใช่มุสลิมเราจะไปพิสูจน์ยังไงเราเขาเชื่อแบบนี้แบบ น, แบบนี้มันต้องตั้งศาลต้องมีกระบวนการยุติธรรมตรงนี้มันไม่ใช่เวลาของมันแต่เราวมในภาพรวม น, นี่จะนับเนี่ยอิรานนี่นะมีซุนนีเนี่ยตามที่ซุนนีในอิรานเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ต่ากว่า50สน่ยซุนะนีในอิราน สุนีี่าพเราเนี่ยไม่ต่กว่าห0อนอร่านทั้งหมดนี่80บล้านนะสุนสีิล้านนะแต่พวกเชี่ยนี่เขาบอกว่าสุนีนี่ประมาณ30 20แต่เราจะบอกว่าอิร่านนี่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมมารอมุสลิมละโอไอซีเนี่ยอร่านนี่ก็เป็นสมาชิกอไอซีลวเวลระเทศชาติตฮิดเทศอกดสัสอดีนเวลา จัดเนี่ยเขาก็ต้องเชิญอิหรา่านและผู้นำซาอุดีก็ต้องออกไปต้อนรับผู้นำของอิหรา่านก็นยงไงก็นยงไงเปิดตานี่ไม่สว่างหูสว่างตาถ้ามีตัดตะเดียวนี่ก็ต้องว่าหมดเลยไม่ใช่เลือกเลือกปฏิบัติแต่เรื่งที่บอกว่าตั้งเงื่อนไขเนี่ยเหมือน เบิกทางให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องมีภารกิจไม่ต้องมานั่งขอดูอาให้พี่น้องบาลิสไตน์ไม่ต้องมารับบริจาคแล้วก็หาแหล่งไปส่งความช่วยเหลือไม่ต้องมานั่งดูแล้วก็เจ็บใจโอ้โหแล้วก็เจอรูปนี้แล้วก็ร้องไห้พราพวกนี้เนี่ยพอเห็นรูปพี่น้องชาวบาลิสันก็นี่ามสมน้ําหน้านี่มันไม่เชื่อฟังอุลามาของเรานี่มันโดนนี่มันเพราะอะไรพรามันฝืนคําสั่งของอุลามาของเรานี่ไง กดลงโทษที่เอาลงโทษคนนี่อยากีินได้ผิดนนิดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาเห็นภาพพี่น้องเราถูกสังหารเนี่ยเขาก็ไม่เจ็บใจแม้แต่น้อยเขามีเหตุผลให้ตัวเองเนี่ยวตัวเองนี่สุดยอดแล้วฉาล acha าดที่สุดแล้วก็เหมือนมุนาฟิกีนในยุคของท่านนาบีสุลต์ละฮ์วะไลอุสละะฮ์แต่สิ่งที่เราไม่สามารถปรักพรมกลา่าวหา เหมือนสมัยท่านนาบีพฤติกรรมของมุนาบิกินเนี่ยเขก็รู้ใครพูดใครทำอะไรแต่บางทีเนี่ยไอเรื่องวงในเนี่ยมันก็หลดุลดหลุดสามรถบางคนเนี่ยเขรู้นี่พวกนี้เนี่ยพวกพวกวงจาชาชอบอินทานนาบีซาละวะเขรู้แต่ไม่สามารถก ล, ล่าวหาสิจธิ์ลืมเล่าบอกว่าซาละวะอิบนบีฮะติบเนีย ที่อุลามะฮัดดีสก็ปกป้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมบิดเิวกับท่านนบีสุลต่านแบบนี้เพราะเขาได้ทาสงครามบรสงครามบัตรีอ่ลอได้คุ้มครองอิมานของเขาว่าเขาเป็นชาวสวรรค์หมนี่มันเข้าสวรรค์คนนี้เข้าสวรรค์แน่นอนจะเป็นมูนาฟิกเด้งอันนี้เอามาจากอันนี้เอามาจากเรื่องของซาบะอีคนหนึ่งซีฮาติบอิบเนอบีลตา วันี้จาะบเดี๋คนนีจะสกลับไปิบนาฮะบวันนี้ฮะทับนบลตาเท่สงข์นี่นะค่ทําสงข์คำบัตรเหมือนกันแต่สกลับไปินาบีฮะทับนียรืนี้นะเป็นชาวเมดีนาแต่ฮะทับอินาบีเบลตาเนี่ยเป็นชาวมะกะเป็นมุฮัจญีนท่าสงข์คบรเหมือนกันแต่ก่อนที่นบีจะไปพิชิตมกะเนี่ย เพราะคนว่าฮาตเบียบนียบีเบลดานี่ยเขาไม่ได้เป็นคนมักกะจากชาวกุเรชนะไม่เขาเป็นเผ่าเล็กๆที่ไม่มีอํานาจบารมีจึงต้องไปขอความคุ้มครองจากเผ่าใหญ่ที่มักกะพอท่านนบีจะไปพิชิตมักกะเนี่ยฮาติบียบนียเลดานี่ยมี ลูกหลานญาติพี่น้องที่ยังอยู่ที่มะ ก, กาและเป็นมุสลิมแต่เขาปกปิดไม่เปิดเผยเขาก็กลัวว่าถ้าพวกกูเรชนี่รู้ว่านาบีไปพิชิตมะ ก, กาเดี๋ยวเขาจะไปจับไอ้คนที่ไม่มีไม่มีเส้นสายไม่มีอะไรเี๋จับแล้วก็สังหารเขากลัวทำยังไงดีอ่ะก็เลยเขียนจดหมายให้กูเรชบอกว่านาบีกาลังเตรียมตัวจะไปพิชิต ระวังตัวชาวกูได้เห็นเขาเขียนเขาก็จะคุ้มครองญาติพี่น้องเขาจะได้ไม่ต้องทําลายไม่ต้องสังหารเพราะกูรูว่า Allah, อกกานนาาาัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีในเรื่องฮะดีษนี่มันจะดูในบุค h a r และมุสลิมบอกกับท่านนบีซัลลัลลอฮฺซัลลัมว่านี่ยเขาถึงทำแบบนี้แล้วก็จดหมายที่าเาถึงเขียนนี่นะส่งไว้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจะเดินทางจากมัดินาไปมักกะเนี่ยชื่อคนนี้แล้วเขาผู้หญิงคนนี้เนี่ย เขาเอาจดหมายเนี่ยซ่อนไว้ที่เปียพระตถาภานุในอาหรับนี่เขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปค้นแม่อะไรผู้หญิงเนี่ยบีก็เลยสั่งอาลีบนบีตอนรไปดักผู้หญิงคนหนพอไปดักแล้วเนี่ยบอกว่าเอาจดหมายของห้างที่บอกมาไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, มีท่านอาลีก็เลยขู่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่เอาออกเนี่ยเราจะจัดการน่านะจะค้นนะเขาก็เลยอยอมบอกเอาออกแล้วนี่ไปให้ท่านนาบีนบี อ่านแล้วก็เรียกฮาติอิมเดอามีเบลตาเพราะอันนี้เท่ากับให้เบาะแสกับศัตรูอิสลามนี่อันนี้ทวรยศนะเรื่องใหญ่นะทวีก็ต้องสอบสวนกันเรียกครับนี้ทำทำได้ไงนี่เธอไม่มีหลักฐานแบบนี้เนี่ยนะไม่มีใครกล้าที่จะตอบว่าฮาติอิมเดอามีเบาถึงขนาดที่อุมรอิมลขตอมนี่พอรู้แล้วนีุ่มรขดามนี่ก็ ถือว่าเป็นมือขวามือขวามือซ้ายของท่านนาบีพอรู้แล้วนายบีบปล่อยให้ฉันตัดอคอคนนี้ซะประหารชีวิตเลยประหารชีวิตกส่อาอมรมองว่าฮาติบเนวดนี้ตกศสนาแล้วแต่ท่านนาบีไม่ท่านนบีเป็นผู้ปรึกษาก็ยังไม่ฟังไม่ได้ข้าวทิมฮาวทิทํำไมเจ้าทำแบบนี้เพราะท่านนาบี ฟังผมนะผมไม่ดีผมไม่ไ ด, มไมไดีปฏิเสธอิสลามผมไม่ไดีไม่ได้ทรอยด์ท่านหรือทรอยด์อิสลามหรือสังคมแต่ข้าพเจ้ามีญาติพี่น้องที่เป็นห่วงมากและข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนแอไม่เหมือนท่านนาบีไม่เหมือนสคาร่าในส่วนมากนี่จากตระกูลใหญ่ๆถ้ามีญาติพี่น้องอยู่ที่มั ก, กา้าเนี่ยก็ถูกคุ้มครองจากตระกูลใหญ่ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเขาแต่ผมนี่เป็นคนอ่อนแอไม่รู้จะคุ้มครอง อา่าพี่น้องของผมยังไงก็เลยต้องทำแบบนี้จะได้คุ้มครองเขานบีก็รับคำขอโทษของฮาดิบนบีเบลตาแล้วบอกกับอุมรมุลข้าบนียจะไปฆ่าฮาดิบอินอบีบลตาได้ยงไงอินนัลลอฮฺขัดิทัละัลอาลีบะดรินัฟัละละหูมูะ์์์์า์ั์์์์์์์์์์์์์์์์า์์์์์์์์์์์ ล้อัลลอฮ์ได้มองถึงชาวบาตะทั้งหลายเลยบอกว่าพวกเจ้านี่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยฉันเนี่ยให้อัลลอฮ์นี่ให้อภัยอโหสกับพวกเจ้าทั้งหลายน้่หมายที่ว่าชาวบาตะนี่เขาเรว่าเป็นคนที่อัลลอฮ์รับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นชาวบาตะนี่จะถูกลําดับในซาฮาบะที่มีความประเสริฐหลังจาก صحاب ะสิบท่านที่นบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์บุคคลที่ประเสริฐ صحاب ะที่ประเสริฐที่สุดทัดจ้าท่านนบีอบูบักรอันดับที่สองขลีังสีอันดับที่สาม صحاب ะสิบท่านที่ท่านนบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์อัลอาชรานโมชรีมุลจันอันดับที่สอัลบัดริยูชาวบัตตทไมะะที่นบีรับรอง วเป็นชาวสวัวอัลลอฮอับดุล้วเหุนี้นะครัว่าฮาติบเนบัลดาคนนี้กับซาลาบเนบฮติบเนบิบนอบีฮติบนตักซีร์อานีสงคนนี้ก็เป็นชาวต่คนหนึ่งเป็นชาวมักกะคนหนึ่งเป็นชาวมดีนะถ้าเป็นชาวบัดานี่ก็จะทาพฤติกรรมของมุนาฟิกซึ่งเป็นชาวนรกแดงใงเป็นไปไม่ได้ที่น่ากลัวนะครับ บอกล l l a ให้แล้วเนี่ยเ้ากระนีนะเขาก็ไม่ได้สอดก็ตามทที่เขาสัญญาไว้กับท่านนาบีสุลลัลละวัลลอฮฺที่น่ากลัว น, นี่แหละบอกว่าฟ้เขับขมนิฟาขมฟีกลูบิบห์ห์ลล ก, ก, ก, ก์ั์ห์ห์ห์หกห์ห์ห์ห์องห์ห์ห์หเห์ห์ห์ห์ห์ห์์หกห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์หงห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์ห์หพห์ห์ห์ห์หนเกี์ยมห์ นื่องจากว่าเขาบิดผิวกระทับมับีอัลลอฮ์จะให้หัวใจเขาเนี่ยเป็นหัวใจของพวกมุนาฟิกินจนกว่าจะไปพบอัลลอฮ์โอ้ก็เป็นไปได้ไงที่ซาลาเบียเนี่ห้าติบเนี่ยจะเป็นมุนาฟิกจนกว่าจะรู้อัลลอฮ์ทั้งดังดีเขาเป็นชาวบรดับเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้อภัยถึงแม้ว่าเขาจะทําอะไรก็ทำอย่างไรแสดงว่าไม่ใช่คนนี้แต่ที่บอกว่าถ้าที่น่ากลัวนี่ว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยอาจจะพลิกหัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยให้เป็นมุนาฟิก จนถึงมวลเกศหมายถึงมวลตายในสภาพเป็นมุนาฟิกเลยเนี่ยที่อุลลามะเขาเรียกว่าชุมุลมาเสียผลลัพธ์ที่เลวร้ายของของบาปความผิดความชั่วหนึ่งในบาในบาปและความผิดบิดผิวทรยศหักหลังโกหกผิดสัญญากับมนุษย์นี่นะโอโ้โหโดนด่าสะเละเลย จำได้ไหมนักการเมืองที่สัญญาไว้อะไรตอนเลือกตั้งตอนหาเสียงแล้วพอมาตั้งรัฐบาลแล้วก็บิโอโหเละเลยะเลยะชาวบ้านนี่ด่ากันทั้งประเทศด่าไม่มีชิ้นดีเลยนี่แค่มนุษย์กับมนุษย์นะหักหลังกันเองนะด่ากันเลยแล้วคนนี่หักหลังกัลลอฮล่ะอ้าฮะอัลลอฮ์สัญญาไว้ก่อนเหรแต่เป็นแบบนู้นจะทําอย่างงี้จะตัอย่างไง แต่พอได้แล้วนี่ตามที่เขาตามที่ตอนที่ขอจาก Allah แล้วเนี่ยพอได้แล้วเนี่ยบิดผิวก็ Allah โกหกกับ Allah ว่อันนี้เนี่ยคือบางทีนี่บาปนี่มันเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยกันแต่บาปนี่เกี่ยวกับ h เนี่ยอันนี้มันน่ากลัวก 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. จนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะพบพระองค์พบพระองค์ในฐานะเป็นมุนาฟิกถึงอลมาเนี่บอกว่าพวกเรานี่จะต้องอยู่ในช่วงไวัยไหนก็ตามมองถึงบั้นปลายชีวิตของเราบั้นปลายนี่จะตายในสภาพไหนการที่มองถึงบั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยจะทำให้เราหนีวางแผนชีวิต วางแผนชีวิตที่เนียบมีข้อผิดพลาดโอกาสผิดพลาดน้อยด้วยเหตุผลว่าผู้ศรัทธานี่รู้ว่าบั้นปลายเนี่ยมันเกี่ยวกับลุกโซ่ที่มันอยู่ในทุกวัยตลอดชีวิตไวัยไหนเนี่ยที่เราได้ทำอะไรเนี่ยมันจะส่งผลต่อต่อช่วงวัยถัดไป ถ้าเราไม่รีบแก้ในวัยนั้นนะโอ้โหเรายังวัยเด็กวัยรุ่นอยู่แล้วก็โมโกรงเกเรไม่เอาไหนเลยแล้วก็ไม่มองถึงอนาคตต่อไปเนี่ยไม่พยายามแก้นะไม่พยายามแก้เนี่ยถัดไปนี่มันก็จะมันก็จะแย่โอกาสที่จะแก้เนี่ยมันก็จะน้อยพอวัยกลางกลางชีวิตเนี่ยอายุ 30- 40แล้วก็ยังไม่แก้แล้วก็ปล่อยเรื่องไปเนี่ยน่ยพอวัยชาราเนี่ยมันก็จะแก้ยากเหมนกัน ถึงบ้านปลายชีวิตเนี่ยอัลคอติมา่าจุดจบของชีวิตจะอายุมากจะอายุน้อยนะแต่จุดจบเนี่ยถ้าเราไม่พยายามแก้ไม่พยายามแก้ทุกเรื่องนะทุกเรื่องนี้ให้มันให้มันคือมันโฟกัสไปถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆบ้านปลายชีวิตเราต้องการตายอยังไงตายแบบไหนศพที่เขาเอาออกมาจาก ที่กาซ่เนี่ยมาจากซากาคารเนี่ยบางคนนี่นะเอามาทั้งศพนี่นิ้วอย่างนี้นแสดงว่าก่อนก่อนที่เขาตายเนี่ยเขาเขากลังชาดอยู่ากำลิมอยู่คนนี้ก็ากำลังขานกาลังทับเขาอยู่ในกาลังตายเนี่ยนกลืนี้เนี่ยคนที่นึกถึงอัลลอ์นี่นึกถึงกาลิมเนี่ยก็แสดงว่าเขาฝึกฝนเนี่ยเขาอบรมตัวเองว่านิ่แต่ลไม่ไม่ลืมโดยเด็ดขาดกางที่จะกล่าวก แต่ถ้าเรามีเรื่อ ง, อ, งอื่นนี่อยู่ในสมองตลอดนักวิชาการเล่าจากทีมกู้ภัยที่เปศนซาอุดีนี่ทีมกู้ภัยนี่ไปรถชนรถชนก็วัยรุ่นวัยรุ่นนั่งอยู่ในรถเนี่ยลพอไปดูรถรถเนี่ยเปิดเพลงลั่นเลย ถ้รุ่นเนี่ยสามสี่คนนี่นะก็อยู่ในช่วงวาระสุดท้ายในชีวิตมันเละไงโดนชนเละแต่ละคนนี่นะไปนี่ไปไปช่วยแต่ละคนนี่นะจะไปกู้ภัยเงช่วยคน น, นู่นนะปิดแผลทําแผลนะจะนําไปโรงพยาบาลแต่ละคนนี่นะร้องเพลงอยู่ร้องเพลงอยู่บางคนก็เสียชีวิตในขณะที่ร้องเพลงเพราแน่นอน ซึมซับอะไรในชีวิตคุซึมซับอะไรนี่มันจะโผล่ออกมานี่ครับเพราะบานปลายชีวิตเนี่ยก่อนตายเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยคนแก่เนี่ยเวลาคนโดยเฉพาะจะป่วยนะสติปัญญานี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แก่แล้วก็สิ่งที่มันจะอยู่ภายใต้สันนิษฐานเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาอ่าทิฏฐิยาผมพูดถูกปะ ภาษาอับนี้จิวิทยาเขาเรียกกันลักหลูลบ้าติมันเป็นมันเป็นสติภายใต้ติดสมเนธเป็นสติน่ะและมันมีเมมโมรี่ของมันน่ะและเมมโมรี่เนี่ยพอมันไม่มีอะไรควบคุมก็คือสติปกติ่สติที่ที่เราที่เราคุมอยู่แล้วเนี่ยมันจะปิดจะเป็นเรื่องความลับเรื่องอะไรต่างๆที่เราที่เราได้วนอยู่กับมันนี่นะบาทีมันเป็นความลับทั้งหมดเนี่ยพอสตินี้มันคุมไม่ได้นี่นะมันจะโผล อุลามาคนหนึ่งเขาเล่าถึงคนคนหนึ่งเขาเป็นที่รู้กันเอคนนี้เนี่ยอุลมามะสะอาดเข่งคัดเรื่องเรื่องศา ส, ะสะนาเรื่องอะไรเต็มที่เลยพอใกล้จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยลูกๆเขาเนี่ยก็มามานั่งล้อมคุณพ่อเขาเนี่ยเอา้า เอากุฎอ่านมาอ่านให้เขาก็เห็นคุณพ่อเขาก็อ่านกุฎอ่านในตลอดชีวอ่านกุฎอ่านเอากุฎอ่านมาให้คุณพ่ออ่านฟังหน่อยเขาก็นอนงายอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเอามาเพราะเขาไม่ยอมเขาไม่เชื่อในคุฎอ่านนี้อยู่แล้วเขาปรากฏว่าตอนเขาในชีวิตเนี่ยตอนที่เขาละหมาดเขาอ่านกุฎอ่านเขาทาทุกอย่างนี่นะหัวใจเขาเนี่ย ไม่เต็มรอ้อยอ่านกุอานแต่ก็ยังมีข้อสงสัยบางทีก็กุยทำไมอัลลอฮฺบูดแบบนี้ทำไม Allah อันนั้นี่คือไม่ไม่ลึกอ่ะไม่ลึกซึ้งอ่ะแต่ทําที่ทํานี่นะก็ก็ทำนี่เพราะมันเป็ น, นกลไกในสังคมมันก็ต้องทําอ่ะเห็นก็อ่านกุศลเดี๋ยวเราอกตอนนี้ก็ต้องอ่านกุศลานอ่านเหมือนนี่ก็อ่านละมารเหมือนนี่ก็ละมาตรติสินมันก็ติสอ น, อนงั้นอ่ะแต่เชื่อไหมซึ้งในงานนี้ก็ทำอยู่ไม่ซึ้ง พอใกล้จะตายแล้วนี่นมันโผล่ออกมาเลยเฮ้ยเขาไม่เชื่ออยู่แล้วไมต้องมาอานล็อกมันน่าจะเป็นคำเป็นวาจาที่เขาอยากจะตะโกนลั่นออกมาแต่เขาเก็บไว้ก่อนตายนี่มันก็เลยปุ๊บปริออกมาบันปลายชีวิตในข้อที่มาวันปลายชีวิตเนี่ยเราต้องมองอย่าคิดว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกําหนด มีสิกำหนดกำหนดตอนนี้เลยอย่างที่บอกว่าตอนนี้เลยทรัพยากรไม่ไม่มากเมื่อตอนนี้เลยความรู้ไม่เยอะอะไรไม่เยอะแต่ฉันยังทำอะไรยังอะไรที่ทําได้ที่จะกําหนดบ้านไปชีวิตจะเป็นยังไงนะทําตอนนี้เลยบรรพาอยากจะเป็นอะไรอยากจะอยากจะตายขณะสุดดูดสุดทูเยอะสุดดูดให้เยอะและหมาดให้เยอะเผื่อว่าจะตายถ้าสุดยุดอยากจะเสชีวิตขณะทําความดีทำความดีให้เยอะขณะทำบุญอย่างเงี้ย ทำความดีไม่อยากจะเสียชีวิตขณะที่กำลังทาบาปก็หลีกเลี่ยงจากเรื่องบาปพยายามหลีกเลี่ยงจากเรื่องบาปให้มากที่สุดให้บาปนี่มันมีพื้นที่ที่น้อยที่สุดเปอร์เซ็นต์จะตายขณะทําบาปนี่มันก็จะน้อยโดยปริยายทําความดีให้มากที่สุดเปอร์เซ็นต์ที่จะตายขณะทําความดีมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์มากด้วยปริยายทําได้เราทําได้แต่เราโอ้ ยี่ชั่วโมงนี่ทั้ง2ี่สชั่วโมงนี่มั่วซั่วทำและเธอไปหมดโอ้ฉันอยากจะตายเป็นมุจาฮิดนี่อยากจะตายที่กะซ่ามันจะเป็นไปได้ไงการที่ไม่บริหารสัพยา์กรในชีวิตเนี่ยโดยไม่เปิดช่องให้เกิดความดีตามความประสมของเรามันจะเกิดขึ้นได้และที่อัลลอี์กำหนดบั้นปลายชีวิตข้ะอะไร ขบาปเรื و و ب ب ال ่องเดียวนะบีมาอัลลอฮลังะมาว่าดูเนื่องจากตอนที่พวกเขาบิดพิวต่ออัลลอ์ในสิ่งที่พวกเขาให้สัญญาไว้แก่พระองค์ทำบาปกับอัลลเรื่องเดียวก็คือบิดพิวกับอัลลอฮ์นี่ครั้งเดียวนะล็อกหัวใจของพวเาลยปิดหัวใจอุลเมรบอกว่านี่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดในบันทึกของอิมาม ขารีตันนบีซัลลัลลอฮุวะลัยซัลลัมหัวใจของเรานี่ถูกพลิกไปพลิกมานี่ตามพระประสงค์ของพระองค์หัวใจของเรานี่ถูกพิกไปพิกมานี่ตามแน่นอนตามิ ك م, ر ر ك ب ب ك م ة ตามตามความรอบรู้อัลลอฮฺ سبحانه และเตาฉะนั้น อย่าคิดว่าหัวใจของเราเนี่เราจะสามารถครอบครองได้ตลอดเวลาอาจจะมีบาปเดียวที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราก็ได้เพะพี่มาการยาคดิบูนนี่งที่ผมบอกว่าเนื้อหาของการกระทากลุ่มวุณาวิกินกลุ่มนี้เนี่ยรากศัพ์ของมันเนี่ยก็คือการโกหกตวแหลที่เขาปิดพิวกับอัลล และเนื่องจากการที่พวกเขาการที่พวกเขาปฏิเสธยกกัดีบุนปฏิเสธนี่ก็คือกล่าวเท็จกับบุญหรนะปฏิเสธก็เป็นบทเรียนที่เราสุภานวตาแล้วให้ ah พวกเราได้มองตัวเองแล้วก็แล้วก็พยายามระมัดระวังระมัดระวังในคำพูดในการวางแผนชีวิตอะไรอะไรที่เรา สัญญาไว้กับอัลลอสัญญาไว้กับตัวเองเนี่ยเคลียให้หมดซะเคลียให้ได้เคลียและในดูอาของเราเนี่ยก็พยายามขอรุกขอโทษต่อละสุฮานาวตาลนี่คำสัญญาบางอย่างที่เราสัญญาไว้กับอัลลอแล้วก็ทาไม่ได้ยืนยันกับอัลลว่าพยายามที่ทำนแล้วถ้าทไม่ได้นี่ได้โปรดให้พระยโทษด้วย เราจะได้ไม่ถูกมองจากอัลลอฮ์นี่ว่าเเป็นผู้บิดผิวคนนี้โกหกโกหกแบบนินเนียนเนนเนีย น, น, ยนนะมันนักการเมืองนีสัญญาไว้อะไรกับชาวบ้านนี่นะเฉยไปไม่ต้องพูดดูชาวบ้านเหรอเขาก็ลืมนินเนีย น, น, ยนอาาัลลอฮฺ อัลลอฮ์เนี่ยจะรึกไว้แต่พวกเขาตั้งหากที่ลืม <c oughs> สิ่งที่เราสัญญาไว้กับอัลลอฮ์ล้วจดจำไว้เราเนี่ยอจะลืมฉะนั <c oughs> ้นฉะนั้นอน่าทำาน่าทำตัวเนียนกับอัลลอฮ์นะทตัวเนียนกับอัลลอ์นี่ไม่ได้หรอกกับอัลลอ์เนี่ยเราต้องเป็นผู้สารภาพสารภาพนั่นนั่นที่ปลอดภัยที่สุดดีที่สุดสารภาพกับอัลลอฮ์ เรารู้เรารู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วก็รู้ว่าอัลลอฮ์นี่รู้ว่าเราเป็นยังไงอัลลอฮ์นบีจึงให้เราเนี่ยได้กล่าวไดูลิสฟเจ้าหนายของดุอาขอพยโทษต่ออัลล์ุมันตะรบีลาอิลาอัลลัลอท่านลักตันีอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮัลลอฮออ์์อั์อัลลอัอ์ลอััออ์อ์ ในสิ่งที่รับปากไว้กับพระองค์ท่านมัตตตตุเท่าที่ข้าพระองค์สามารถทําได้และถึงทําไม่ได้ละอบูอูละกะบินิอามติกะอาเลยะวะอบูบิดัมบีข้าพเจ้าขอสารภาพยอมรับในความโปรดปรานที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอสารภาพยอมรับในบาปในความผิดที่ข้าพเจ้าได้ทําต่อพระองค์ท่านสารภาพอย่าทำเนียนนะทําไม่รู้เมื่อไไม่ได้ทำฉัน แด่อย aces, ู first, ่ฉันย umm ังดีอยู่ก็ฝากเว้แค่นี้นะครับบัสสลัลลอฮุอะลัยฮิสซาบิยุสซบิยุสซาบิยสซาบิยุสซาบิยุสซาบิยุสซาบิยุสซาบิยุสซาบอยุสซาบิยุสาบิยุสาบยุสซาบิยุสซาบิยุสซาบิยุสซาบิยุสซาบิย่สซาบิยสัาบิยสซาบิยุสซาบิยุสซาบไยุสซาบิยุสซาบิยุสัาบิยุสซาบิยุสซาบิยุสซาบิยุสซาบิยุสนึงิยุสซาบิยุสซาบเยื่อาบิยุสซาบิยุสซาบิยุสซาบิยุ ถ้าเราสัญญาใจแล้วก็พยายามปฏิบัติอยู่แล้วแต่พลาดไปทำบาปโดยไม่ตัง้งใจนะโดยไม่ตัง้งใจอัลลอฮ์ก็จะอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยถ้าเราได้กลับเนื้อกลับตัวอีกทีหนึ่งข้อละมาได้บอกว่าการที่เราได้กลับมาทำบาปทั้ท ง, ทงที่เราได้สัญญาไว้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมธรรมดาของมนุษย์ แต่สิ่งที่สิ่งที่จะทำให้บาปเนี่ยหรือการเตาบัตตัวเนี่ยมันมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตอนที่เราเตาบัตเนี่ยเราไม่จริงใจในการสัญญาว่าจะไม่ทำตอนนั้นนะ่ะตอนที่สัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วตอนนั้นนะ่ะคือมีแผนแล้วว่าจะทำอีกเราสัญญาไว้กัน อันนั้นแล้วใครจะรู้ละ่ะทุกคนไม่มีใครรู้หรอกอัลลอฮ์รู้และเรารู้เราเนี่ย ร, รู้ว่าเราสัญญากับอัลลอฮ์จริงจังต่บอัลลอฮ์มากเลยแค่ไห น, นถ้าเราจริงจังนะไม่ถือไม่ถือว่าบิดผิวถ้าเราได้ทดําโดยไม่ตั้งใจงครับเมื่อวานเมื่อวานเป็นที่สการ์อ <c oughs> ุทิศเม่น้ํามัน เห็นมีคลิปโปรโมตลอยกระทงมันก็มีฮิ j าบฮิ j าบกําลังลอยอยู่ด้วยเนี่หลงๆอยู่ตอนแรกเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งผมบก็เรื่องเร่อนี้มันไม่ค่อยมีแล้วในสังคมบ้านเราเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบองว่าลอยกระทงเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องประเพณีไม่มีอะไรผิดหรอกมไม่ผิดได้ไงอ น, นี่เขารอยแล้วก็มีมีตั้งอธิฐานมี มีมีภาวนามีอะไร่างี้ด้วยนะมีบทสวดด้วยโเขาบอกว่าถ้าเขาสวดของเขาเนี่ยเราก็สละ ล, ลอของเราสิเพราะลอยกระทงแล้วก็สละ ล, ลอไปด้วยมันมีอยู่ช่วงจริงนะมันมีจริงนะผมแต่ผมนกึกว่านานแล้วนยึงสิบยี่สิปี น, นกึกว่ามันหมดไปแล้วไงอันนี้ผมวออมันมาใหม่มาแรงด้วยนะแล้วก็มันเป็นโปรโมทของเอ่อของอะไรอะไรท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยมันเป็นกระทรวงเลยวใช่ปะ แล้วอะไรอุตออนี่นะกระทรวงท่องเที่ยวนี่แล้วก็ขอให้มีหี j าหฮีา a ก็ลังรอยแสดงว่าเขาเขาอยากจะให้มุสลิมอยากจะให้มุสลิมมีส่วนร่วมในการโปรโมทประเพณีแบบเนี้ผมว่าอันนี้มันปิดปัญหาว่าคือเจ้าหน้าที่แล้วก็รัฐบาลแล้วก็คนนี้เขาให้ในโยบาลเนี่ยเขายังไม่เข้าใจหรือเปล่าอืมเนี่ยมันหนักมันหนักตรงนี้ไง ว่าเหยียดเหียดเรื่องเรื่องเรื่องนี้ทั้งทั้งที่เขาก็เขาก็รู้ไงที่มากกว่านี้เนี่ยคือคือประเพณีอะไรที่มันมีความเชื่อแฝงอยู่เนี่ยอย่างสงการเขาโปรโมทสงการให้เป็นให้เป็นประเพณีประเพณีในประเทศไทยนี่ในซอยนานาเ น, นี่ยอาหรับมุสลิมนี่เพียบเลยเขาก็เลยซื้อปืน <บ>เพ <PTSD> ื่นฉ well? ีดน้ําเนี่ยมุสลิมทั้งนั้นน่ะแล้วก็ฉีดกันฉีดกันใช้ฉีดฉีดกันสนุกสนานกันเฮ้ยซาบาลิกุ๊มผมก็ช่วงนั้นน่ะไปสงการเนี่ยบกว่ผมไม่ออกนอกบ้านเลยนะแตอนนั้นน่ะมีทุระจึต้องไปพบอาหรับเพื่อนนั่นแล้วก็ต้องไปนานาไปแล้วผมก็คงไปที่นู่นน่ยก็คงไม่มีหรอกมีแต่อาหรับม่แต่มุสลิมเนี่เพียบเลยเพียบเลย ไอ้ไอ้ปืนฉีดน้ําเนี่ยไปพูดมีคนแอฟริกาคนนึงเป็นมุสลิมทั้งกระหมาดอยู่มาด้วยกันหนึ่นก็ถือเขาไม่ได้นี่มุสลิมมุสลิมมุสลิมเขาไม่ทำกันด้วยความเชื่อเฮ้ยชการเนื่องจากว่าเขาไม่มีใครบอกเขาหรือพยายามที่จะยัดเยียดให้มุสลิมเนี่ยเข้าใจว่าออมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเล่นๆนะเรื่องเรื่องอะไรเรื่องประเพณีอะไรไม่เกี่ยวกับ ความเชื่อไม่เกี่ยวกับอะไรบบนีนก็เป็นหน้าที่ของเราอ่ะนะก็ฝ า, ากไว้ด้วยพรื่งนี้ผมเบอะผมคิดว่ามันพูดพูดในบรรยาเนี่ยผมก็พูดเยอะแล้วอะพูดจนแบบว่าพูดจนคนเกลียดน่ะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะ่ยที่ต้องชี้แจงอนธะิบายบอกต่ออะไรบางทีถ้าจะทําถ้าจะให้ ไว้เนี่ได้ทําอะไรสปอร์ตอะไรมันก็โห่ี่มันจะทำสปอร์ตเฉพาะเลยต่อท่านต่อท่านแล้วก็ทงเรือเนี่ยขนาดนั้นเลยอ่ะแต่เราก็สามารถพูดได้ตามรายการเนี่ยนัก็พูดเท่าที่พูดได้ต่อกรณ์นะู้นน่ะคำถามเยอะคําถามเยอะมุสลิมลอยกระทงได้ไหมนี่คำถามนี่โอ้โห่ี่ต่กรณ์นู้นเน่ยนเะยอะมุสลิมลอยกระทงได้ไหมอบ้านผมนี่มันติด ติดดิ่มดมแม่น้ํำไงแล้วก็งานของวัยรุ่นนี่ก็คือเช้ารุ่งหรอก็ไม่ต้องเช้ารุ่งนะช่วงดึกของเราก็ต้องนี่ก็ต้องก็ต้องลงน้ําคลองลงแม่น้ํานี่ไปเก็บตังค์ไปเก็บกระทงเพราะกระทงนี่มันก็จะมีะมีตังหยอดไว้ด้วยเนี่ยนั่นแหละเสี่ยงๆของเขาอ่ะล่ะของเด็กๆอ่ะมันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นเรื่องที่เขาไม่ แล้วผูหญาก็ไม่ไม่ไ่เคยห้ามเด็กเด็กมันเล่นอะไรก็คุ้นล้อไม่มีใครห้ามอะไรม่มีใครพูดดูไอ้เรื่องนี้มึงอย่าไปความเชื่ออย่าไปยุ่งกับเขาเลยอ่ะแค่นี้นะสัลลัมมุลลอฮ์